ال um ah um ah ah l, l q q um nah a h u m m a s a l ع i ala m u h ه m m a d wa ala alihi wa ashabi wa يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي a l ل a h u m ا a bik a c b h ا a wa ن i k a ك ن i n ي ا wa bik n وإليك النشور الله h ا m m a ربي لا إله إلا أنت خ ل ักตานี ن ล إ, إ, إ, ا ع ้า ك ป็น ع ู้เชื่อ و ละข้า ا ا ู่ภายใต้การคุ้มคร ع งของพระองค์และข้าได้รั ه การอวยพรจ ن กพระองค์ข้าพเจ้าได้ร ب บความเมตตาจากพระองค์และได้รับก ه รอวยพรจพระอ้องค์ขรัวยพราด้รบการรอาดบ อีกคำหนึ่งก็คือฟัจรพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะ سبحانه แวะกูฏาลที่อัลลอ์เนี่ยให้เรามีชีวิตยาวมาถึงวันนี้การมีชีวิตยาวๆมาถึงวันนี้เราต้องเช็คด้วยว่าตัวเราเนี่ยเอาศาสนาที่อัลลอ์ประทานให้มาเนี่ยมากํำกับชีวิตเราหรือเปล่า ขอให้เราสำรวจดูตัวเองนะแลค่อยดูเออเราเนี่ยเอากุรานเอาทางนําที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺประทานให้เอามากํากับชีวิตเราไหมเอามาดูแลชีวิตเราไหมรวมรวมไปถึงครอบครัวของเราด้วยภรรยาเราลูกเราเราดูแลดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> บางคนให้เฉพาะเงินอย่างเดียวแต่ไม่ให้ศาสนากับลูกก็เยอะ ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละให้บ้านลูกซื้อรถให้ลูกซื้อที่ดินให้ลูกแต่ก็ไม่ได้ให้าศาสนากับลูกพี่น้องเราทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยวันนี้มาถึงสุรัตอิบรอฮีมเป็นสูรัตที่14นะครับในรอบ14ปีที่เรานั่งทบทวนคุรานกันมาเนี่ย และคนที่มาเรียนตัปเชนตายไปหลายคนแล้วเราก็พวกเราพอ ท, ทําท่าจะตายอยู่เนี่ยก็ขอดวงอาตอราร้อนนะครับให้เราตายในขณะที่เราเป็นผู้ที่สแสวงหาวิชาความรู้ที่มาจากกิตาบุลร้อนและซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไนฮิวะสันดับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้รับความรู้จากกุรอานเนี่ยที่เรียนมานะ เอาเช่นอะไรบ้างครับขอยกตัวอย่างนะเอาลอตด่าเก่ารักพีคุณอ่านดกว่าเราเนี่ยได้ตั้งหลักแหล่งให้พวกท่านเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่พวกท่านอยู่เนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์เคยลงโทษมาก่อนแล้วสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยอัลลอฮ์เคยลงโทษมา เขคงจะไม่จะหมายถึงประเทศไทยหรอกอาจึงจะหมายถึงประเทศอียิปต์หรืออีกหลายๆประเทศนะที่อลัลลอฮฺเคยลงโทษออย่างที่ประเทศอียิปต์เมื่อก่อนนี้ประเทศอียิปต์ใครปกครองนะกษัตริย์อะไรฟาโร่ปกครองอยู่ก่อนหน้าสัตว์ฟาโร่ก็มีใครอีกนะ นบียูซุฟอะไสุลามเนี่ยรุ่นก่อนๆคนก่เนี่ยใช่มละ่ะแล้วมาสมัยนี้อะไรที่ออกไปแล้วนะถูกถูกปฏิวัติออกหมุบ้ารออกตรงนั้นนะเป็นเคยเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจฉะนั้นเราวันนี้เหมือนกันนะอยู่ตรงไหนก็าตามต้องนึกสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เคยอลัลลอฮ์ลงโทษบ้างหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเราอยู่ในสภาพเหมือนคนรุ่นก่อนอยู่นะเราอาจจะถามตัวเองว่าไหนอัลลอฮไม่เห็นลงโทษไทยก็ทาตัวพอๆกับฟารโรห์แล้ววเนี่ยเรานี่ก็เลวพอๆกับฟารโรห์เลวแต่ทำไมอัลลอยังไม่ลงโทษคำที่แล้วเนี่ยนอัลกุรอานเตือนบอกว่าอ ah uh um. uh ah uh um um ินนามาอยู่อาคิรูฮฺหนูอาคีรูฮฺเลียอมินที่เราไม่ลงโทษเราประวิง ประวิงเวลาการลงโทษไปก่อนประวิงกี่วันนะ่ะจนกว่าจะตายแค่นั้นนะ่ะตรงนี้ทำให้าต้องนึกนะที่เราเป็นคนเลวแล้วก็เรายังไม่ได้ถูกลงโทษจากอัลลอ์เนี่ยอย่านึกว่าอัลลอ์ไม่เอาโทษนะเอ้าแน่แต่ตอนนี้อัลลอ์เพียงแต่ประวิงเวลาเอา ฉะนั้นต้องหาไปดูครอบครัวเราล่ะภรรยาเราลูกเรามีาศาสนาไหมมีงานทำด้วยกนันทุกคนล่ะทำดูิล illah, สบายใจนะมีเงินมีทองใช่แต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั่นก็คือมีาศาสนาเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นข้อเตือนใจทันะ้งหมดนะแล้วอีกอายาหนึ่งสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ไม่เคยเบี้ยวสัญญานะ พี่น้องอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ได้สัญญากับรอซูนรอซูลเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมาทำงานาศาสนาเนี่ยนะแล้วก็คนที่ศรัทธาต่อรอซูลทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำตัวสนิทกับอัลลอฮ์นะคำว่าสนิทเนี่ยภาษานีดีภาษาอุรราชนะว่าอินนัละหูอินดานาลาซุลฟา ในอายอือ่นนะครับว่าอินนาลฮูอินดานาลาซุลฟาคนดีเนี่ยเขาจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่สนิทสนมกับอัลลอฮ์เวลาเราจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งไปหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งแล้วก็ต้องเลือกคนที่สนิทคนที่เคยเข้าออกบ้านเขานนะส่งคนนี้ไปไปติดต่อแล้วอัลลอฮ์ไม่เคยได้ยินเสียงเราบ่อยๆปีหนึ่ง นมาตหัดยุดไม่ไม่เคยนมาดเลยไอเสียงอย่างนี้นะมันไม่เคยคุ้นไม่เคยขึ้นข้างบนยาล้มมีปัญหาเมียทองอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทองจะลูกจะอะไรนะจะครบไม่ครบสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่เคยขอเลยพอเมียทองเพิ่งขอ ไอเสียงที่นานๆขึ้นไปทีงข้างบนเนี่ยเสียงมันไม่คุ้นเราต้องไปหาใครรู้ไหมไปหาคนที่เขาคืออยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยที่ลูกขึ้นมาตะฮัดยุดบ่อยๆท่านครับช่วยขอด้อนวอให้ฉันหน่อยเสียงของเขาคุ้นขออะไรปับ๊บข้างบนรับปุ๊บฉีนั้นเราต้องเป็นคนที่ทําตัวสนิทสนมกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาถึงอัลลอฮ์จะดูแลเราช่วยเหลือเรา นานๆขอทีก็รอไปก่อนอาจจะ6เดือนปีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมลนะ่ะทำตัวสนิทสนมกับลอร์ดดีไหมดีโ่ยการนี่แหละเป็นคนดีแล้วก็นามาตยาคาตไป้องทั้งหลายเอาเนี่ข้อสรุปทั้งหมดนะครับเอาวันนี้เรามาดูอายาที่เท่าไหร่นะสี่สิบแปดยามาตุบะดาลุลอ غير الأرض والسماوات นี่พูดถึงวันเตียมะวันเตียมะเนี่ยมีจริงพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยเลยที่ช้ตอนมันพูดว่ากิยามะไม่มีให้สาบคิดบัญชีไม่มีตายแล้วไม่ฟื้นเนี่ยก็หกทั้งหมดเรื่องจริงๆนี่นะเราต้องฟื้น ตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นจากสุสานจากกูโบโนบีมุัม m สลลัลในอัลสลัมรองลูกมากัลูกสาวท่านนาบีท่านหญิงปาติมาเนี่ยฟืน้นเป็นคนแรกเสียชีวิตทีหลังแต่ฟืนน้นก่อนนี่แหละพระเจอะไรนะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอ์มอบให้กับคนยุคสุดท้ายคือยุคของนบีมุัม m ลลัลละฮมัลเลฮิัลสลัม เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะนะครับพี่น้องยามาตุบัดดาลุลอารดวันซึ่งแผ่นดินตุบัดดาลุจะถูกเปลี่ยนวันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนรยรัลอารดีเป็นอื่นไปจากแผ่นดินนี้แผ่นดินที่เราอยู่ที่เราคุ้นๆกันอยู่เนี่ยนะ พอไปในวันเกียร์มาไม่ใช่แผ่นดินที่เราคุนหูคุนตาตรกไม่ใช่เป็นแผ่นดินใหม่อีกเห็นอย่างพรอน้องนี่ไจากคูอ่านทําให้เราเข้าใจว่าแผ่นดินใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันคุนใช่มะมีนู่นมีนี่มีสกงสี่ขอดมีอะไรแต่อะไรออกไปถนนเจอสีนักครินไปดันหลังเจอสุขุมวิทภาพนี้ไม่มีแล้วหมดปกครองภูเขาไม่มี ตึกรามบ้านช่องสูงสูงเราเข้าไปในกอทอมอนโอ้โหตึกสูงสูงสูงไปมาเลเซียก็ไปเจอสองตึกให ญ, ใหญ่ตึกอะไรโปรโตนัสวันกีม้มจบแผ่นดินตรงนี้เรื่องที่ที่คุ้นหูคึ้นตาเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วจะมีแผ่นดินใหม่มาครับรวมไปถึงชั้นฟ้าก็เหมือนกันที่เรามองดูวันนี้เสามันคุ้นคุ้นเอตวันึ้นตรงนี้หลกตรงนี้ ก็มีดวงดาวมีดาวธงดาวไถใช่ไหมที่เรามองกันอยู่นะพอไปในวันนั้นจบที่เราคุ้นหูคุ้นตาเนี่ยจบล้วก็มีแผ่นดินใหม่มาแล้วก็มีชั้นฟ้าอันใหม่มาไม่รู้ว่ารอหัวอะไรมันนึกภาพไม่ออกมันเกินที่เราจะจินตนาเกินความคิดของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้นะครับ ยามตุบดัดดัล ا ل أ ر ไกรอม ل أ ر ض แลสวะวันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้และชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยอ่าว ส, สมาวาชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยนะครับหมายถึงโลกใบใหม่หลังจากโลกใบนี้หมดอายุ โลกใบใหม่จะมาหลังจากโลกใบนี้หมดอายุท่านหญิงอาิชาเป็นอิหมามเป็นฮะดีสนะครับท่านหญิงอาิชาเนี่ยถามท่านนาบีนะครับเมื่ออ่านมาถึงอายา น, นี้นี่แสดงให้เห็นว่าพญ า, านาบีน่อยู่บ้านเขาอ่านกูอ่านกันนะ พอไปเจออาย่านี้เก็ถามนาบีรายาตุสุละละอาย่านี้อธิบายยังไงเนี่ยยามาตุบั ด, ดลุลอรุไรลอรวสมาวพะาอยู่บ้านอา่อานอาลัลกุรอานพอไปเจออาย่าที่อธิบายไม่ออกก็ถามว่าอาย่านี่อธิบายยังไงอ่ากอลัตนางถามนาบี ว่าเมื่อแผ่นดินใหม่มาแผ่นดินเก่าหมดอายุแผ่นดินใหม่มาและพวกมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนแล้วมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนโอ้รอซูลของอัลลอฮฺเห็นยังนะครับเนี่ยที่ที่เอาภรรยาอบบีมาเล่าเพื่อจะต้องบอกให้ภรรยาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยให้อ่านอารรัลกุรอานด้วยให้อ่านกรุรอานด้วย พออ่านก็อ่านแล้วเป็นไงรู้ไหมได้ความรู้อิมานมันเพิ่มนบีตอบว่าก็ละอาลัฟซีรอมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนคําตอบนบีบอกว่าไปยืนอยู่บนสะพานสะพานเนี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะสะพานพระรามเก้าไม่ใช่มันจะสพจะพานตรงนี้มันเป็นพาสะพานที่เข้าระหว่างนารกกับสวรรค์ สะพานคุณจะใหญ่หน่าดูไม่ใช่เล็กหรอกถ้าอย่างนั้นนบีไม่พูดว่าอัลลอซสิรอดอยู่บนสะพานจินตนาการไม่ออกเรานะครับนี่อีกะดิษหนึ่งนะฮะดิษบทที่สองอันอาอิชฮ์รดิยัลลอฮ์อันนฮท่านหญิงเนี่ยได้ถามได้ถามนบีเลยสะอัลตุฉันได้ถามท่านนบีเลยพระยาถามท่านนบี ยามทุบดัลยามทุบดัล الأرض ไม่ใช่ الأرض และสวรรค์วันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้และชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยเนี่ยและพวกเราจะอยู่ที่ไหนมนุษย์จะอยู่ที่ไหนนบีต่อ ว, ว่าเงี้ยแล้วก an um ็ดซาอัลตีอันชัยอินมาซาอัลละนี้ أنه أهادون من أممتي ไม่มีใครเคยถามฉันเลยอุมาของฉันน่ในยุคของฉันเนี่ ย, ย, ขขนนยไม่มีใครเคยถามฉันถึงเรื่องนี้เธอถามเป็นคนแรกนี่เป็นการชมภรรยาด้วยใช่ไหมโอ้โหเธอให้เก่งน่าดูเลยคนอื่นไม่เคยถามแต่เธอถามฉันอานะ้าวนบีตอบว่าไงครับ อันนัสอาดิสริหิมวันนั้นมนุษย์อยู่บนสะพานยิสรุนก็แปลว่าสะพานอัลซิรอตก็แปลว่าสะพานเหมือนกันมีอยู่สองฮดิษตดลองว่าแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนจะทายเทใช่ไหมแต่มนุษย์อยู่ที่ไหนอาดิสริหิมอัลซิรอตอยู่บนสะพานสองฮดิสนะครับพี่นอ้องทั้งหลายนี่เป็นคำตอบ สบายใจมั้ยสบายใจอาทีนี้เทวท้องฟ้าเนี่ยระบบสุริยะวันนั้นเสียหายหมดเลยนะดวงดวงดวงดาวนี่ร่วงลงมาร่วงลงมาหมดนะ่ะลงทะเลหมดแล้วก็ทะเลวันนั้นน่ยจะเดือดเป็นไฟอะ่ะนาวูร์บินแลฮิมินซาเลกเราไม่อยากจะเห็นภาพมันนั้นแต่อิทิมามทอิทิมามอ่านอ่านตะกี้เนี่ย ที่มาอ่านดีนะที่มาอ่านเพราะว่าหลายใบหน้าในวันนั้นจะยิ้มหลายใบหน้าในวันนั้นจะผ่องใสแล้วก็หลายใบหน้าในวันนั้นจะหม่นมองเราอยู่บนสะพานก็จริงอ่ะนะแต่ว่าใบหน้าเรายิ้มจะใช่หรือเปล่า น, นะอย่าเอาลขอให้ใบหน้าที่มาธมามศาสตร์วันนี้มีใบหน้าที่ไร น, นะ ทียิ้มอลัลลอฮ์ใบหน้าใสาไปน้องเพราะอาลัลลอฮ์จะไม่ให้เห็นกับเหตุการณ์ไรายๆอย่างนั้นอลัลลอฮ์จะปิดกัน้นไม่ให้เห็นนะครับรวมไปถึงก่อนถึงวันเกียร์มาก็เหมือนกันคนที่สนิทกับอลัลลอฮ์เนี่ยนะอลัลลอฮ์จะให้เขาเสียชีวิตก่อนแล้วก็คนที่ไม่ค่อยสนิทกับอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ยาวๆโดยเห็นนู้นเห็นนี่ปวทหัวเห็นคนทะเลาะ ก, กันดาน่ากันฆ่ากัน ทา ว, ว่าดีอ่ะฉะนั้นถ้าหากทําตัวสนิทกับวอลล์นเนี่ยวอลล์จะให้เราตายจริงเราคนเราคนเราคนเราคนบางคนมาอยากตายอยากจะอยู่นา น, นะอยู่ทําไมานานๆพี่น้องถ้าอยู่แล้วเห็นแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าอยู่ดีกว่าตายไปดีกว่าหรือว่าห่วงทรัพย์ให้ลูกมันดูแทนแมันก็จะกั้นนะห้ามดุลิดแล้วเอาต่อมาครับพี่น้องอีกคดีหนึ่ง นะครับอันกาบิบเนอันอุบายบิบนี่กาบินกล่าวคาว่าอินนัลอัร์ดต่อสรูนีน่าร้อนเขาอธิบายอย่างนี้นะแผ่นดินนี้จะกลายเป็นไฟนรกเนี่ยแผ่นดินเนี่ยแต่ที่พวกเราไปอยู่บนสะพานเนี่ยเพราะแผ่นดินนี้กลายเป็นนรกร้อนชาเลยเป็นไฟแดงเลยนะนี่อีกแผดิสหนึ่งรายงานอย่างนี้ ท่านอิบเนมัสอาอกับท่านอานาสกล่าวบอกว่ายุหชารุนนัสอัลาอร์ิบัยบามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งจะถูกรวมตัวกันยมบนแผ่นดินสีขาวแผ่นดินสีขาวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใครไปอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่มีความผิดไปยืนอยู่ในที่ตรงนั้น อโล่ Allah, พี่น้องก็อยู่ในที่ที่แผ่นดินขาวคงไม่ใช่อยู่บนสะพานแล้วรางานเนี่นะมันอาจจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่ในที่ที่ขาวสีขาวพี่น้องคนประเภทนี้พวกไหนคนที่ไม่มีความผิดคนที่ผิดแล้วเต้าบ้าตัวต่ออโล่ทําอะไรผิดอยู่บนดุลยานี้ไม่พาความผิดติดลงไปไม่พาความผิดติดผ้าขาวไปไม่พาความผิดติดกูโบไปพอรู้ว่าผิดต้าบ้าตัวต่ออโล สารภาพผิดต่ออัลลอสุภาห์ฮวตาตอล拉คนเหล่านี้อัลลอจัดให้ที่อยู่ใหม่ไม่ต้องยืนบนสะพานก็ได้อาจจะมีที่อีกที่หนึ่งวัลลอฮอุอาลัมนะครับพี่น้องน้องครับอาญานี้มีคำอธิบายยาวนิดหนึ่งนะมีวันหนึ่งมียิวคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสลตานอุบสันลยิวเนี่ยจะมาถามนาบีเรื่องหนั ก, นก แล้วก็นบีก็ตอบนะมีวันหนึ่งมีอุลมามะของพวกยิวนะครับมาหาท่านนาบีพอมาถึงมาให้สลามให้อย่างงี้อ mm hmm. ัสสลามุอะลัยกะยาอูฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกะยาอูฮัมมัดมีซอว์บ้านนบีอีกคนหนึ่งเข้าไปกระแทกปังแม่ไม่ไม่ได้ซอว์บ้านนบีนี่คุมนบี ล้วก็ดูแลปกป้องนบีใครที่ใช้ภาษาผิดๆเนี่ยเล่นงานเลยต่เล่นไม่ไมแรงค่อยๆถามว่าคนยิวถามว่าคุณมากระแทกฉันทำไมอ่ะ阿拉ตะกูลุนยาละซูลลอถ้าไมไม่พูดสับนี้แหละโอ้ลอซูลของอัลลอฮฺอัสซาลามอะลัยกุลมยาระซูลลอละคำนี้น่ะสวยที่สุดทำไมไม่พูด ดันไปพูดว่าอัสลามุอะัลกายามุฮัมมัดแม่เรียกมุฮัมมัดเลยไม่เรียกตำแหน่งนายกมาเนี่ยเราก็ไม่เรียกชื่อนายกเรยกว่านายกครับใช่ไหมนะ่ะก็ต้องให้เกียรติกันใช่ไหมนะ่ะแต่ยิฮูดีนี่ไม่ให้เกียรตินบีแล้วก็ชาพวกนี้ยิฮูดีบอกว่าอินนามาณเดอหูบิอิสมิฮิลลัลิซัมมาหูบิฮิอลลูฉันเรียก ชื่อมูฮัมมัดเหมือนกับที่คนในครอบครัวของมอมหมัดเรียกชื่อโมูฮัมมัดตอบดีนะนแสดงว่าเก่งมีความรู้ฉลาดดีน บ, บีก็บอกว่าอินอันนาอิสมีมูฮัมมัดชื่อของฉันนั่นชื่อมอมหมัดที่คุณเรือกน่ถูกแล้วไม่มีปัญหาก็ได้ได้ได้ไดไดน บ, บีก็อนุโลมให้ห้อดูเลยแหละแล้วต่อมาครับ นบีถามว่าคุณมาหาฉันทำไมคนยิวตอบบอกว่ายิตุอัลอาลูกะมาเพื่อจะมาถามท่านนาบีก็บอกว่าถ้าฉันตอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์สำหรับคุณไหมละ่ะถ้าฉันตอบไปแล้วนอะคุณจะฟังฉันไหมละ่ะคุณจะเชื่อไหมละ่ะไอคำพูดของฉันเนี่ยมันจะแก้ไขปรับปรุงท่านคุณให้ดีขึ้นไหมละ่ะบอกว่านาะ ฉันจะฟังด้วยหูของฉันนบีก็กาลั ง, ลงมี ม, มีมีมาอยู่อยู่ในมือก็นบีก็ขุดดินไปไป น, นัจิ้มๆิมดินอย่างเงี้ยนะฮะยืนยืนอยู่ก็ก็นบีก็อ้างสาัลนสัส้เอาตอบถามถามถามมาคุณยิวก็ถามบอกว่าถามอยาย่านี่แหละเยาวมาตุ ต, ตุบัตดลัลลุนอารุไกรลารุดีดวัสามาวาตวันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้ อธิบายยังไงนบีก็บอกว่าฮุมฟิซุลมาดูนัลจิสพวกเขาอยู่ในที่มืดนี่ฮะดิษที่สีนะพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในที่มืดมืดไม่ใช่บนสะพานด้วยโอ้เห็นไหมนบีตอบคุณอยู่ในที่มืดพวกเขาอยู่ในที่มืดรุ่นมาอยู่ในที่มืดแล้วก็ไม่ใช่บนสะพานเห็นไหม นี่หะ ด, ดิษ ท, ที่สามแล้วนะที่สี่แล้วเดี๋ยวแล้วก็ใครล่ะถามข้อที่สองใครเป็นคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์คนยิวถามนะใครเป็นคนแรกที่จะอนุญาตให้เข้าสวรรค์เป็นคนแรกในวันตียมะนบีตอบฟุกร อ, อุลมูฮาจิรินคนที่เข้าสวรรค์ชุดแรกใครนะคนจนจน จากพวกไหนมูฮาจีรินคือคนที่อพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมดินะนบีเข้าไหมเข้าญากนนบีเข้าหมดเลยใครจะใครเยอะไปหมดที่อพยพจากนครมักกะไปอยู่นครมดินะถามว่าอพยพทำไมเพื่อธุรกิจนะไม่ใช่เพื่ออะไรปกป้องาศาสนาเพราะอยู่ที่นครมักกะ ทำอมันอิบาดาไม่ได้นามาดไม่ได้เขารังแกต้องอุพยพจากนกรมากรไปอยู่ที่นกรมบดีนะไปปกป้องนบีไปช่วยงานศาสนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลออัลัยฮิวะซัลลัมเห้นไหมพี่น้องงานศาสนางานใหญ่ไ้ยมีเกียรติมากเลยขนาดเข้าสวรนี่ยังเข้าเป็นคนแรกเลยกลุ่มแรกเลยคนจนๆเห็นไหมสวบ้านนบีส่นสวนใหญ่เป็นคนไม่ค่อยมีสตยัง แต่ต่อมาก็มีสตังตอนหลังใช่ไหมพี่น้องอา้าต่อมานะครับคนคนยิวถามอกีกอาหารมื้อแรกเมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วจะทานอาหารอะไรมีส้มตรงส้มตำอะไรหรือเปล่าถามแบบนี้หรือเปล่านาบีก็บอกว่าอาหารมื้อแรกก็คืออาหารตับของปลาตับของปลานะ่ะเขหุดปลาดุงปลาใหญ่ ปลาโ ต, โตที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเดาจะตัดเอาปลาเอาตับของปลาเนี่ยให้คนที่อยู่ในสวนสวรรค์ได้ทานเป็นมือแรกแล้วก็ถามอีกแล้วก็อาหารหนักอ่ะอาหารหนักอ่ะอาหารนาหารนักอะไรนบีก็บอกว่าเขาจะเชื่อดูวเนื้อวัวนะครับวัวในสวนสวรรค์จะถูกเชื่อ แล้วก็เอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยในตัววัวเนี่ยเอามาเป็นอาหารให้กับคนที่อยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็ถามอีกแล้วเครื่องดื่มอ่ะเด็กกินน้ํารำกินอาหารแล้วติดคอทําไงอ่ะาขอน้ำเอกเครื่องดื่มชลอปมีไหมน บ, บีกต็ตอบบอกว่าไอนุนตุซัมมาสัลซาบีมีตาน้ําอยู่ในสวนสวรรค์เรียกว่าสัลซาบีสัลซาบีใครที่มีชื่อลูก เคยเอาไปตั้งชื่อลูกเนี่ยสับนี้เป็นน้ำที่ออกมาจากสวนสวรรค์ทั้งหวานทั้งอร่อยอลลอเมั่ต้องกินเยอะและกินนิดนึงก็ชุ่มคอไปทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นตัสนีมะตัสนีมซันสบินนะครับพี่น้องพอนบีตอบเสร็จคนยิ้วบอกว่าสอดักแต่นบีพูดจริงฮะ มันรู้แสดงว่าเคยอ่านหนังสือมาเคยอยู่กับอุลมามาในกาแฟเตารออธิบายเอาไว้เยอะเรื่องเหล่านี้อานบีพูดถูกพี่น้องเห็นอย่างอ้าวถามต่อไปอีกฉันมาวันนี้มาถามอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจาก นบีของ Allah, ขอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะรู้นี่ถามถามใหม่อีกนบีถามว่าไอ้มาถามฉันนี่นะเมื่อฉันตอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์สําหรับคุณไหมล่ะบางคนถามแล้วกว็ค้านใช่ไหมล่ะอันนี้ถามแล้วก็จะเชื่อหรือเปล่าจะมีประโยชน์ไหมคนยิ้มบอกว่าฉันจะฟังตั้งใจฟังฉันมาฉันก่อนตั้งก่อนจะถามว่าลูกผู้ชาย กับลูกผู้หญิงที่อยู่ในคันมานดาเนี่ยมันมาอย่างไงโอ้ถามหนักนะถามเรื่องมดลูกเลยเนี่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงในคันมานดานั้นมหมัหดว่ายังไงนบีก็บอกว่ามาอุลรออยูลหว่ามาอุลมัน้ำอสุจิของผู้ชายเนี่ยกับน้ำอสุจิของผู้หญิงสีไม่เหมือนกัน น้ำอสุจิของผู้ชายนั้นเป็นสีขาวแต่น้ำอสุจิของผู้หญิงนั้นเป็นสีเหลืองแล้วก็ลูกผู้ชายอ่ะมายังไงนบีก็อธิบายว่าถ้าน้ำอสุจิของผู้ชายนั้นมากกว่าของภรรยาลูกที่ออกมาเป็นเพศ ช, ชายถ้าหากว่าน้ำอสุจินะครับ ของภรรยาเนี่ยมากกว่าของสามีก็เป็นลูกผู้หญิงห้ามดูเลยล่เพิงรู้ <c oughs> ขอบคุณอัลลอสุภาณนฮะูวาตาละ่ะนี่คนยิวมาถามท่านนาบีนบีก็อธิบายให้ฟังโอ้พี่น้องครับคนยิวตอบว่าไงั้งมะมสอดับต่ะท่านพูดจริงท่านพูดถูกแล้ว ว่าอันนักละนบียุนท่านเป็นนบีจริงๆยอมรับนบียอมรับให้เป็นนบีแต่ไม่ยอมรับด้วยใจใจไม่รับรับโดยปากเอาแล้วฉะนั้นรับโดยปากใจไม่รับเป็นมุมินไหมไม่ใช่มุมินคนที่เป็นมุมินต้องหัวใจวาจาการกปฏิบัติแสดงสามอย่างต้องตร ง, งกันหมดเลยอ่ะ คำอธิบายตรงไหนว่าตรงๆกันเนี่ยเวลาเพื่อนานั่งอัตหัยยาเนี่ยอาชาดวนเลยอิเลฮ ะ, ละอิละลลอฮยกมือขึ้นใช่ไหมนะั่นแหละใช่ไหมใจศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวปากใจตรงกันหมดเลยนั้นถ้าหากว่าปากพูดอย่างใจคิดอย่างหนึงเขาเรียก ม, มูนาฟิกไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องมีสามรายการตรงกันหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันเนี้ ค, ครับนบีตอบตอบตอบตอบอัลฮัมดุลิลละยิฮูดีมั่นจะเออคนท่านพูดถูกพูดถูกนึกถึงใครนึกถึงยิบรีนน่ะที่มาหาท่านนบีนบีนั่งอยู่กับชาบ้านเนี่ยเต็มไปหมดมาถามว่าอิสลามคืออะไรใช่ใช่ใชยาม์ฮามมัดพูดเหมือนกันยิฮูดียิฮูดีรู้อ่านคัดีสิสอ่านอะไรรู้ท่านคนนี้อ่านหนังสือเยอะๆอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้นะ่ะ ถ้าเขาอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮหัวอกบัดโอกาสที่จะเข้าสวรรค์นี่ง่ายมากเลยนะครับเอาต่อมาวรรคสุดท้ายว وبرزو لله الواحد القهر برزو นี่แปลว่าคอร์รูพวกเขาจะมาอยู่ข้างหน้าคือออกจากสุสานออกจากสุสาน แล้วก็มายือนอยู่ต่อหน้าใครต่อหน้าอัลลอฮุบ ب าน ن ه และว่าบารซูลิลลาฮิลวาฮิดิลกฮาดและพวกเขาจะออกจากสุสานพอฟื้นขึ้นมาแล้วมายือนอยู่ต่อหน้าใครต่อหน้าอัลลอฮฺอัลลาฮิดอัลลอ์มีองค์เดียวพวกยิฮูดีนัสลอนีว่าอัลลอ์มีลูกพวก นอซอรอพี่น้องชาวคริสต์เนี่บอกว่าอัลลอฮ์มีภรรยาแล้วก็มีลูกอัลลอฮ์ชื่อนาบีอิซาแต่อัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่มีพาร์เนอร์อัลลอฮ์บริหารโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีที่ปรึกษาไม่มีองค์มนตรีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์ว่าเหตุอัลลอฮ์องค์เดียวและอีกคําหนึ่งอัลกออฮาร์ผู้ทรงชนะ พิชิตเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลฮัมดุลิลละครับพีนองขอบคุณอัลลอ์นะครับที่อัลลอ์ได้ประทานอันกรุาาลงมาแล้วเราก็พออ่านและอิหม่านมันก็เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับอายาที่4ี่วะตารลมเจริมีนยามะอิิมมุกอรรีนาฟิลอฟด วัตรลมุจริมีนเย้ามาอีรินในวันนั้นเย้ามาอินหมาถึงวันอะไรนะวันเียรมนี่ยอลลอเล่าภาพวันกียมาทั้งหมดเรื่องจริงพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยว่าตาล้วต้องฟื้นไหมมีวันกียมาจริงไม่จริงจริงทั้งหมดครับวันนั้นท่านจะเห็นท่านจะเห็น ใครครับอัลมุญริมีนคนที่ทำผิดคนที่ทำผิดเนี่ยอธิบายยังไงอ่ะคนทำผิดเนี่ยหนึ่งคนกาเฟรผู้ที่ปฏิเสธอิสลามแล้วก็คนมุชริก ค, คนที่นับถืออัลลอ์และนับถือพระเจ้าอื่นๆ อ, อ, อีกคู่กับอัลลอ์นั่นคนผิด รวมไปถึงคนแขกพวกเรานี่แหละที่เป็นแขกแล้วไม่เอาสุนนนาบีไม่เอาคุรานอยู่ตามประเพณีปฏิบัติเมื่อถึงยูซุฟเล่าให้ฟังไปนมาทีุ่เราวนหนเล่ากันหลังพี่น้องครับมุสลิมอยู่ทั่วโลกอะ แล้ววันนี้นมุสลิมเขาแสวงหาของที่มาจากอิสลามที่มาจากสุนาานะานบีกันตรงๆอ่ะนบีว่าอย่างนบีทํายั ง, ยงไงพยายามทําตามนบีแล้วมันสบายใจปู่ย่าตายายทําน่ยบางทีมันไปขวานบาสุนาานะานบีก็ต้องเยอะใช่หรือไม่ใช่ใช่นะ่ะเยอะมากเลยนะปู่ย่าตายายทำประเพณีปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่ไม่ตรงกับสุนาานะนบีนะ่ะเต็มไปไหมเต็มไม่หมดนะ่ะ ท่านต้องต้องเรียนไปเรียนไปเรียนไ ป, นไปศึกษาไปมันจะเห็นโอ้ไอ้นี่ไม่ใช่สุนทรนบีอภักดไว้ก่อนอันนี้สุนทรนะบีทำไอ้คนที่นําสุนทรนะบีมาปฏิบัตินี่นะถูกแอนตี้นะถูกต่อว่านะถูกตําหนิจากผู้คนนะอย่างน้อยพระยาก็ตําหนิละบางบางดูเปลี่ยนไปเยอะบางบาง <S <S เอาไหนเอาไหเปลี่ยนไปเยอะนะดูเนี่ยดูสิดูสิแม่วัลโลต้องทนไปน้อง เนี่ยสุร้อนเนี่ยสุร่ายิบรอฮิมเนี่ยสรุปแล้วนะมีบางอายันนี่นะสรุปแล้วนะเราต้องอดทนให้เยอะแล้วให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะด้วยมีสองวักนะซาบัตกับชุกุต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็อดทนอดทนต่อปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาหาเราไอ้อดทนใน إيمان ม, มันเพิ่มนะอย่าคิดว่าทนแล้ว إ ม م ا ن ไม่เพิ่มนะอดทน إ ม م ا ن เพิ่มแล้วก็ให้อภัยก็ إ ي م านเพิ่ม แล้วก็ขอบคุณเอาล้อีิมานก็เพิ่มขอบคุณล้อสำหรับคนมีตังค์ทำไงอ่ะให้จ่ายประกาศจ่ายสตอกก็จ่ายฮาดียะบางคนฮาดียะจะซื้อของขวัญให้ะกันซื้อน้ําลูกยอนี่ยแหละตอนนี้น้ำลูกยอกำลังดีซื้อแจกไปก่อนใช่ไหมเสื้อให้ภรรยาบ้างเสื้อให้แม่บ้างเสื้อให้พ่อบ้างนะอา้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อาตอมาครับว่าารมุจริมีและวันนั้นท่านจะเห็นผู้ทำผิดมุกรนีนถูกล่ามติดกันโอ้โหนี่มันหนักนะเนี่ยถูกจับติดกันถูกล่ามติดกันติดกันด้วยอะไรครับฟิลออฟอดด้วยอะไรนะด้วยโซไม่โหไม่ต่างอะไรกับควายเลยนะ ไม่ต่างอะไรกับควายไม่ต่าอะไรกับสัตว์เดรัจฉานถูกล่ามอนะ่ะพี่น้องล่ามโดยโซ่ไม่ใช่โซ่ธรรมดานะพวกเนี่ยโอ้อัคบัตรล่ามถูกล่ามโดยโซ่พี่น้องเขาเอูจะบินแล้วบินยากเลไม่อยากอ่านนะพี่น้องอ่านแล้วใจคอมันเสียอือีกอายาหนึ่งว่อัครินามุกรนินาฟิลอาสฟา ในอายาอื่นอธิบายบอกว่าและพวกอื่นอีกที่ล่ามโซ่ติดกันที่ถูกล่ามโซ่ติดกันไปไหนไม่ได้พี่น้องล่ามที่ไหนบางอายาบอกว่าล่ามที่คอโอ้โหนึกถึงพวกเราที่มาจากปัตตานีไหว้ไหวร้อยไหวมายังจำกันเลยนะ แระขนาดจำๆยังไม่พัฒนาเลยนะอยู่เนี่ยมาอยู่แล้วนึกว่าบ้านเกิดตัวเองที่ไหนได้ถูกไล่มจากปัตตานีมันน่าจะพัฒนาตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นต้องเรียนสุนัขมากขึ้นฉะนั้ น, น่ก็ถูกไล่า ม, มาจากปัตตานีนี่ทางใเอาซุ น, นัขเกิดล่ามในคออีกในวันกี亚马าานนถูกสองด้านข้างล่างข้างบนตอนมานถูกล่าำในเท้า วันเกียมาถูกล่ามทิดคอหนั ก, กอะไรตอนมาถูกหววันเกียมาถูกโซ่หนักกระเกาเองท่า น, นจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าหากไม่มีอิสลามะถูกล่ามแน่ๆนะเอา้าดูกรุรอานวัตารอลมุจดีมีนและวันนั้นท่านจะเห็นผู้ทาผิดถูกล่ามติดกันด้วยโซ่โอ้โหพี่น้องครับมุจดีมีนเนี่ยอธิบายแล้วใช่หมหนึ่งคนกาเฟ สองผู้ที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลไม่เชื่อกุรอานดูถูกเยียดยามสุนนะท่านนาบีอย่างขยะเนี่ยออกมาคนอย่างฉันจะเก็บขยะเสียฟอร์มก็นบีสั่งให้เก็บก็เก็บตามนาบีเก็บขยะด้วยมือไหนอ่ะมือใายอย่างที่มัสยิดเห็นชขยะก็ ย, ะ ย, ะ ย, ะยิบโซรามันยาย่ก็ใส่กระเป๋าไวยก่อน เดี๋ยวนำมาแล้วก็เอาขยะทิ้งเอาเนอนบีมุฮัมมัดเก็บขยะไหมเก็บกลังไอๆอยู่นบีเอาส่นเอาผ้าเชียหน้ามาปิดปากซุบหนานาบีทั้งหมด่ะเข้ามัสยิดด้วยเท้าอะไรเท้าขวาเดี๋ยวออกด้วยเท้าซ้ายอย่าไปคิดว่า ه, งานกระจองานเล็กๆฉันจะทำงานใหญ่ๆอะไรงานให ญ, งใหญ่งานใหญ่มีอะไร นี่งานสุนทานในพีงานเล็กๆในงานใหญ่ทั้งหมดในสายตาว่าเราวันเล็กอ่ะแต่ทัศนคของอัลลอฮ์เนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากเหลือเกินเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ในงานใหญ่ทั้งหมดน่ะแล้วก็ซื้อของขวัญให้กันงานใหญ่ทั้งหมดไม่มีงานเล็กในอิสลามเพราะงานที่เพิ่มอีมาเนี่ยงานใหญ่หมดเลยนะแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่มีงานเล็กงานใหญ่ทั้งหมดนะครับพี่น้องทั้งหลาย ทำตัวสนิทสนมกับเราะดีกว่านะอ่ะต่อมาอายาที่50าสรบาบีลุฮฺมิงกัติรานิวะตะร์ชาวูจูฮฺฮุมุนนาร์ซาลบีลุฮฺมแปลว่าเสื้อกรอ เาใสเสื้อด้วยนะนี่มันยู น, ยนิฟอร์มเป็นมันนะั่นหนามเป็นชุดของชาวนรกของคนชั่วเนี่ยเขามีเสื้อนะเสื้อของพวกเขานี่นะสารอบินบาวเสื้อเกราะของพวกเขาทํามาจากอะไรครับมิงกอติรรนทามาจากน้ํามันยางทํามาจากน้ํามันยางเสื้อของคนผิด ถูกทำมาจากน้ํามันยางทําไมตัวเอาน้ํามันยางมาอธิบายตรงนี้มีอยู่สามประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่หนึ่งน้ำมันยางเนี่ยเขาบอกว่าติดไฟง่ายพอถูกไฟเนี่ยปุ๊บเลยใช่ไหมผลแล้วมาตกนรกน่าแนงานนี้ใช่ไหมอ่ะถูกไฟง่าย แล้วก็กินไว้ติดไฟง่ายแล้วก็กินไว้ก็ติดอยู่กับตัวเราเนี่ยพอเห็นไฟปับ๊บปุ๊บลแล้วก็กินไว้กินไว้กินปั๊บเยอหมดแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนใม่อีกอดร้อยวันนึงไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งวันนึงประมาณห้าหมืนปีเราก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเกราะที่ทํามาจากน้ามันยางต้องการจะ บอกให้รู้ว่าน้ำมันยางนั้นติดไฟง่ายแล้วก็กินไฟโอ้โหหมดก็ไว้กินก็ไว้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพื่อต้องการจะให้เขาได้ชิมรสแห่งความชั่วที่ผู้คุณปฏิเสธอัลลอฮ์สุพาหวอัลลอฮ์ตาลอีกอายะอื่นอายะอื่นนี่นะอัลลอีตัดตอนเล่าอัลลอฮ์เิดะอัลลอีตัดตอนลอลลอฮ์เิดะ ไฟนี่นะเวลามันกินเนี่ยมันกินไปถึงที่ไหนหัวใจบนดุนยากับไรโลกอาคริโรนะาไฟไม่เหมือนกันนะไฟบนดุนยานี้เวลามันกินมันกินที่อวัยวะก่อนใช่ไลนะ่ะกินที่มือที่เท้าที่ขาที่ใบหน้าก่อนจะถึงหัวใจนะตายก่อนจบพอตายก็จบแต่ในวันกิยามาในวันอาคริรรนั่น กินเอาไวว่าหมดแล้วมันยังไม่ตายนะไปกินถึงหัวใจมันก็ยังไม่ตายอีกพอกินพอไหมดีเสร็จแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วก็หนังใหม่มาอีกไอ้ไม่เป็นน้องเสือ้อเกาะตัวใหม่มาอีกที่ทํามาจากน้ํามันยางมาอีกโอ้เป็นน้องทําอย่างเงี้มันทรมานหัวใจเหลือเกินโอ้โหด็กน้องครับหนังของนคน อคนอะไรนะชาวนรกเนี่ยนาเจ็ะสบสงะสว่าร่างยาย่่รูปลออรนะนางอุบิลละยาลกอยาให้เป็นคนอย่างนั้นเลยนะอยาให้มีเสื้อกะที่ทำมาด้วยน้ามันยางนะอยาๆๆกอขออนุญาต่ออ่ะหลอต่อมาครับวตชาตชาแปว่าท่วมท่วมท่วมท่วมทั้งตัวเลยนะอูยูฮาฮูมุน ทั่วทั่วหรือทั่วหรือท่วมก็ได้นะทั่ววูยูฮาฮูมุนาคลุมตักชาแปลว่าคลุมก็ได้แปลว่าทั่วก็ได้นะครับวูยูฮะแปลว่าใบหน้าวูยูฮาฮูมุนาทั่วหรือคลุมใบหน้าของพวกเขาทำไมต้องพูดถึงเรื่องใบหน้าทำไมไม่พูดเรื่องอวัยวะส่วนอื่น ต้องการจะอธิบายว่า อ, าอาวัยวะส่วนอื่นก็ถูกด้วยไม่ใช่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับเอาไว้ว่าส่วนอื่นนบีอลัลลอฮฺไม่พูดพูดเรื่องใบหน้านะพอแล้วสังว่าเพราะใบหน้าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดของร่างกายเวลาจะอธิบายพูดเรื่องใบหน้าอย่างเดียวส่วน อ, อวัยวะอื่นไม่ต้องพูดถึงอลัลลอฮฺลงโทษหมดเลยจัดการจัดลอย เป็นสำนวนภาษาดับด้วยเป็นสำนวนภาษาดับคนที่เข้านารกเนี่ยใบยหน้าเป็นไงมองคร้ำแสดง ว, ว่าทั้งตัวน่ะดำหมดแล้วและใบหน้าของคนชาวสวรรค์เนี่ยโอ้โห่องใสเพราะส่วนอื่นๆเนี่ยมันพ่องอยู่แล้วมาเจอใบหน้ายิงพ่องเข้าไปอีกอะไรทำอยู่เล้วะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้อง ผูกติดกันนะครับว่าผูกติดกันมุกกอรนีนาฟิลอัฟฟัดซาโรบิลูหุมมิงกอติรอนิวะตะกเชวูจูฮูมุนนารสาเหตุที่ต้องเอาอะไรนะเสื้อเกราะที่ทำมาจากน้ำมันยางเนี่ยมาใส่เนี่ยต้องการจะบอกให้รู้ว่าหนึ่งติดไฟไวสอง กลิ่นเหม็นด้วยอ่ากลิ่นเหม็นมากเลยนะ้ำมันยางีนกลิ่นเหม็นแล้วก็สีดำหนึ่งสีดำสองติดไฟไว้สกลิ่นเหม็นทั้งเหม็นทั้งร้อนแล้วก็สีดําอีกโอถูกทรมานอลลอแค่เสื้อเกาะ อ, อย่างเดียวหนะ่อพี่น้องเห็นนะอย่างฉะนั้นเลิกเป็นคนผิดได้แล้วสารภาพผิดต่ออลลอเธอกลับเนื้อกลับตัวต่ออลลอเธอนะพี่น้องทงั้งหลาย <c oughs> เอาต่อมาครับในวันกิยมามะเนี่ยพี่น้องคนที่รักกันในวันนี้นะถ้าไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์นะเป็นศัตรูกันหมดถ้าไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์วันนี้เป็นศัตรูกันหมดรวมไปถึงสามีภรรยาที่อยู่กันคนละศาสนาวันนี้อยู่เพื่อสังคมมีไหม มีเยอะมากเลยในกทมเนี่ยมีเยอะมากบ้านเดียวกันนะ่ะภรยาเป็นมุสลิมสามีมาใจมุสลิมแต่อยู่ด้วยกันแต่นอนคนละห้องอาจจะเลิกกันก็เดี๋ยวสังคมจะดตําหนิก็อยู่กันไปในวันกิยามะนะทะเลาะ ก, กันหมดเลยครับคุณอ่านตรงไหนครับอัลอาคิลัยอุมัยรินบาดูฮมดุมลีบ่าวดินอุด คนที่เป็นคนรักใคร่กันเป็นมิตรกันในวันนี้ในวันเตียมะต่างคนต่างเป็นศัตรตูจะต่อว่าจะด่ากันเองอิลลุตตะกีนนอกจากอยู่กันเพื่ออัลลอฮ์อยู่กันเพื่อให้ตักวาเพิ่มอยู่กันให้อีหมานเพิ่มเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งใน ส, นสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه ะ อักีดาทั้งหมดเลยนนะมันต้องเช็คแล้วเราเนี่ยอยู่ยังไงนะอ้าวต่อมาครับอายาที่ห้าิบเอ็ยจะจีอัลลอฮ์กุละนับซิมมะกัสเบตอินนัลลอฮะส ريع ุลฮิซับเลยจะีอัลลอฮ์ที่อัลลอ์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยใส่เสื้อกราะทำาดยนะ้ำมันยางติดไฟไวแล้วก็เหม็น ทำไมเราก็สีดำเพื่ออะไรเนี่ยลีย่าจุรียร์ยอหอเพื่ออลัลลอ์จะได้ทรงตอบแทนเพื่ออลัลลอ์จะได้ทรงตอบแทนกุลละนับสินทุกทุกชีวิตทุกทุกคนมากระซาบ ต, ตามที่เขาได้ประกอบที่จะขวนขวายเอาไว้เขาทำอะไรไว้ในบนโลกดุนยาใบนี้ อลัลลอฮ์ก็จะตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีของดีๆอลัลลอฮ์ก็ตอบแทนรางวัลให้ถ้าปฏิบัติไม่ดีอัลล์ก็จะให้อย่างนี้แหละเนี่ยเสื้อกอที่ทำมาจากน้ามันยางหนาด้วยถูกไฟไว้ติดไฟไว้แล้วก็เหม็นไหมเหม็นแล้วก็สีดาอีกถูกทรมานเพื่ออะไรนะเป็นการตอบแทน พออยู่บนดุนยาไปนี้เนี่ยอัลลอ์ส่งมูฮัมหมัดมาแล้วส่งอัลกุรอานมาแต่ปฏิเสธมองข้ามไม่ให้ความสำคัญต่อคำอะไรนะต่อสารของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอละส่งมูฮัมหมัดมาก็ไม่ไม่ยับไม่ยอมรับน บ, บีมูฮัมหมัดนะครับนี่พี่น้องนึกเปล่ากะอบบานเนี่ยมาก่อนใครคิดที่จะทำลายอับบาะฮะ มาจากประเทศยามันเยเมนที่เมืองซอนอเมืองหลวงของประเทศเยเมนอับราฮาเนี่ยต้องการที่จะสร้างเมืองสร้างโบสถ์เพราะเป็นนับถือาศาสนาคริสต์เนี่ยต้องการจะสร้างโบสถ์ใหญ่ในเมืองเยเมนเพื่อจะให้ผู้คนเนี่ยไหลามาที่เมืองนี้เพราะมองด้านธุรกิจด้านการเงินการทองก็คิดจะทำแต่ทำไม่สำเร็จ คนก็ยังมิ่งมุ่งไหลไปที่กาบาอยู่วันนั้นกาบามีรูปเจวเวตเต็มหมดเลยนะละเบียบอุมมัดยังไม่มานะแล้วก็กษัตริย์อับราฮัมนี่ต้องการที่จะทำลายกาบาพอทำลายกาบาเสร็จแล้วก็จะไปสร้างเมืองที่เมืองซนอาประเทศเยเมนคนก็จะไหลไปทางนี้ก็วางแผนให้กองทัพชางมายกทัพมาเลยต้องการที่จะทำลายกาบา สำเร็จไหมสำเร็จไม่สำเร็จนะฟาอัศลาไลหิมตอยรอนอาบาบินอัลลอ์ส่งนกมานกนี้ยังอยู่นะอยู่นะแถวแอฟริกาแถวเซาท์แอฟริกายังอยู่นกตัวใหญ่กว่า น, นกท่ราบตัวหนึ่งมันคาบหินมาสามก้อนสองขามันสองก้อนแล้วก็ที่ปากมันอีกก้อนหนึ่งอับราฮัม ก, กลับไปถึงเมืองเยเมนได้สิบวันตาย ทำไมอัลลอฮ์ทำลายแผนการของคนที่จะทำลายกาบาเพราะต้องการจะให้กาบานั้นรักษาโดย น, นบีมูฮัมมัดแค่นั้นเองจะให้นบีมูฮัมมัดมาเผยแผ่อิสลามให้กาบาบานั้นสะอาดบริสุทธิ์เพราะนบีอิบรอฮิมขอดูอาอา้วนว่าเมืองนี้ต้องเป็นเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีรูปเจเวตให้ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมทั้งหมดนั้นได้นมาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และกษัตอาลา การใครจะคิดทำลายกาบะจึงไม่สำเร็จเพราะจะปกป้องเมืองนี้ให้ใครให้นบีมุฮัมมัดและบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานาูวาตาลาถ้าให้มักกเนะเนี่ยให้ยาฮูดีคุมนะปะนี่เล่าไม่เต็มบ้านเต็มเมืองไปลการพ น, นันไม่เต็มเลยเรอปะเนี่ยนี่ให้นบีมุฮัมมัดคุมแล้วเป็นไงสะอาดไหมสะอาดบริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลละ มีแต่คนนมาหัดนมาหัดมาหัดใช่ไหมดูภาพสิภาพไอ้ทีวีที่เขาถ่ายมาอ๋อเดี๋ยวนมาเดี๋ยวนมาต่อว่ากันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนั่นใครนบีมุฮัมมัดฝีมือเขาผู้ศรัทธาตอลอดลองเปลี่ยนมือสิไปให้คนอื่นบริหารเหล่าเบียสโสลเพลนี้เต็ไมไปหมดไม่เห็นเหรอ ประเทศอื่นๆทุกวันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมบริหารไม่ใช่พูดศรัทธาต่อ Allah ไม่เอากุ ร, รอานเอาสุนนะไปบริหารประเทศเสียหายหมดเ ล, ลยคนเองก็แย่ใช่ไหมไปดูสิมักกะอัลฮัมลามดีลลมดนาาดลลด่าสองเมืองอัลฮัมยูเลลล์เต็มไปด้วยอีมาศรัทธาต่อ Allah อุภะาลเอา เลยจะจี๋ัลลอฮ์กุลล่นับสิมมาคเศษบัตอินนัลลอฮะส ريع อัลฮิสาเพื่ออัลลอ์จะได้ทรงตอบแทนทุกทุกชีวิตตามที่พวกเขาได้ขนขวายไว้อินนัลลอฮะส ريع อัลฮิสาแท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงชับพลันในการชำระชำระบัญชีของอัลลอ์ในวันเกียรมะ ในอัตตสิทธิ์อธิบายไปว่ากาลมหิลบัสรพริบตาเดียวคนหนึ่งแป๊บเดียวไม่ใช่นานหรอกก่ขโลกพังเนี่ยพริบตาเดียวใช่ไหมน่ะกิยมามาเนี่ยพริบตาเดียวคิดบัญชีมนุษย์ก็พริบตาเดียวแป๊บบแแต่ว่าแป๊บสำหรับคนกาฟเฟรตเนี่ยโอ้โหนาน แป๊บสำหรับคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์นะ่ยยืนนานเท่ากับนมาสุนต์เกลกักอกสองเห็นไหมเนี่ยรางวัลที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้ี่น้องกุรานอนย ญ, ญาอื่นอธิบายอย่างนี้ใครที่คดโกงที่โกงกบนดุนยานี่นะเอาโกงที่ดินเขาห้าห้างานเอาเอาสักสองสองวาก็พอ จะแบกที่ดินสองวาเนี่ยบนคอของเขาบปยืนเนี่ยอล้อเจ็ดชั้นเนะี่ยแบกยืนต่อนหน้าอระอนอ า, ออายคนน้อยไปเลยกงที่ดินเข้าไวนะ้น่ะพี่น้องวาสองวาไร่สองไร่เนี่ยถูกแบกอยู่บนไหลหมดพี่น้อง ไอ้คนที่ลักเป็ดลักไก่ก็ถือไก่ร้องจอกแจกโจ๊กจ้างอยู่บนโอ้ยพี่น้องอันตรายทั้งหมดน่ะมันเป็นภาพที่ไม่ดีเป็นภาพจิตศกปรกทั้งหมดพี่น้องไอ้ดันอัลลอฮ์จะนํามาแสดงทั้งหมดเลยสําหรับคนที่ทําอะไรผิดผิดผิดผิดผิดเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาล้ต่อมาอายะสุดท้ายครับฮะดะบะลาุ์ลินนัส ว ليُنزَرُ به وليَعْلَمُ أنَّما هو إلهُ واحد وليَذكَرُوا الأَلْبَابَ هذا بلاه للناس بلاه ดแปลว่าตัปลิก د, و ه, د و ة อ่าบลาห์เนี่ยบลาห์ตัปลิกตัปลิกเนี่ยนี่คือ การสอนศาสนาเป็นการเตือนเป็นศารเป็นการเทศนาเป็นการสอนให้กับใครให้กับมนุษย์ใครสอนอัลลอฮ์สอนนี่เป็นคําสอนเป็นคําเตือนของอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดผ่านอัลกุรอานมาถึงใครมาถึงมนุษย์คําว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่เพาะมุสลิมอย่างเดียวนะคนทั้งโลก เพราะาศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่าศาสนาของมุสลิมอย่างเดียวนะเป็นาศาสนาของมนุษย์ทั้งหมดโลกเลยนะครับฉะนั้นคำพีกุรานนบีมุฮัมมัดนั้นอลัลลอฮ์ส่งมาเพื่อชาวโลกทั้งหมดนี่เป็นความต้องการของอลัลลอฮ์นะครับวาลยุนยาลูบิฮีเพื่อพวกเขาจะได้ถูกเตือนนะครับ เอากุรานมาเตือนส่งนบีมุฮัมมัดมาสอนมาเตือนนี่เป็นเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งกุรานมาและส่งมุฮัมมัดมาท่า น, นเราต้องเรียนแล้ววันนี้ไม่เรียนผิดข้อการเรียนศาสนาเป็นฟ้รดูการทํามาหากินก็เป็นฟ้รดูเดี๋ยวเมื่อหากินได้ก็ต้องหาศาสนาให้ได้ด้วยใช่ไหมเพราะเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งกุรานมาส่งนบีมาเนี่ยเพื่อให้เอามาเตือนกัน เวลาเตือนเนี่ยตรงเตือนอย่างนี้อดีต น, นนทรัศย า, าศาสศาสนาคือการเตือนกันกุลนาลิมันเราถามนาบีว่าเตือนกันไปหาใครนบีตอบลิลเล่เตือนกันให้ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่เรื่องแรกวาลิกิตาบิฮีเตือนกันให้อ่านอัลกุรอานให้ศึกษาอัลกุรอานให้หาความรู้จากอัลกุ ร, าราอานต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ทุกวันอ่ะ บางคนมีรา้านซื้อสองฉบับไทยใต้ก็ดเดลีนิวก็อ่านไปเลยแต่ขนาดเดียวกันคุรอ่านต้องอ่านด้วยแม่บ้านต้องอ่านคุรอ่านด้วยพ่อบ้านต้องอ่านคุรอ่านด้วยเพราะอัลลอ์สั่งนี่ไงฮด า, าบะลาหุลินนัสเราส่งคุรอ่านมาส่งมุฮัมมัดมาเพื่อให้มนุษย์จะได้ข้อคิดจากอัลกุรอานเป็นการเตือนมนุษย์ให้นึกถึงอัลล์ ه แลุสั่วาวลยะลมู เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่านี่เป้าหมายใหญ่นะที่เราเรียนศาสนานที่อ่านคัมอารเนี่ยเพื่อให้เขาได้เข้าใจได้รู้ว่าอันนาหูอันนามาหูอิลหูอัจพระองค์คือเป็นผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ Allah, มีองค์เดียวนั่นเป้าหมายใหญ่ยิ่งเรียนไปเรียนไปเรียนไป إ ي م านมันก็เพิ่ม เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ยอมรับว่าอลัลลอ์มีองค์เดียวชริกก็ค่อยๆเลิกคอๆๆ่คอยๆเลิกค่อยๆเลิกโตะนนโตนี่ที่ตายตายไปแล้วอยู่ในกุโบโเนี่ยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาหาใครเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทำตัวสนิทกับอลัลลอ์พอแล้วไม่ต้องไปสนิทกับใครไปน้องสนิทกับอลัลลอฮ์นะั่นแหละนะวลยะซักการูและเพื่อพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้นำอาลกุรอานนี้เนี่ยปันเป็นข้อเตือนเตือนให้อะไรนะให้ดำลึกผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยจะได้นำอาลกุรอานหรือคำสอนของนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปเตือนคนอย่างนอนเตือนตัวเองเตือนลูกตัวภรรยาแล้วก็ตเตือนคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยให้เขาได้มีอีมานต่อรอบเพิ่มพูนตลอดเวลา เนี่ยสรุปจากผู้อ่านนะครับที่เรียนมาเนี่ยสุรนิลสุรอินะรออบลรีมเนี่ยเพี่น้องครับสรุปสั้นๆก็แล้วกันว่าคนชั่วคนทําผิดเนี่ยเวลาตายไปแล้วนะ ขอร้องเอาล้อให้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงมุสลิมด้วยถามอาลัลลอฮ์ส่งมาไหมอลัลลอฮ์ส่งกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่มาแก้ตัวไหมไม่ส่งรวมไปถึงวิญญาณของเราด้วยพี่น้องวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเที่ยวบ้านในคืนวันศุก เพราะเรานี่ถูกอบรมมาบอกว่าวิญญาณกลับมาเที่ยวบ้านวันศุกร์ไม่มาครับไม่มาแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหนวามีววารอีหิมบัตสักุลอิลายามียุบอาซูนหลังจากตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปอยู่ในอาดัมบัดสัคแล้วก็รอวันฟื้นคืนชีพถ้ากลับมา ก, ก็ปวดหัวปวดหัว อ้าวสามีตายภรยาไม่ตายพระสามภรยายังสาวอยู่เลยยกตัวอย่างนะพอเราตายได้สี่เดือนสิบวันหมดอินดานิก้าใหม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็ บ, บ้านเราที่สร้างไว้ภรรยาไปอยู่ตรงนั้นเอาสามีคนใหม่มาอยู่ยกตัวอย่าง เราก็กลับมาเที่ยวบ้านคืนวันศุกร์ไปเจอไอายาภรรยาเราแต่งงานใหม่ไปแล้วดูอามันก็ไม่ขอให้เราดูสิดูสิกลับมาดีไหมนะ่ะดีไหมอย่ากลับเลยอย่ากลับและอัลลอ์ก็ไม่ให้กลับด้วยอขอร้องเท่าไหร่ก็ไม่ให้กลับนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนบีอิบราฮิมขอดูอาให้เมืองมักกะเป็นเมืองที่สงบ สงบไหมสงบอัลลอ์รับจริงจริงที่อัลลอ์ให้เมืองมักกะสงบเนี่ยเพราะต้องการจะให้นบีอิบรอฮิมดูแลเมืองนี้ไม่ให้มีรูปเจเวตติดอยู่สักอันหนึง่งสำเร็จไหมสำเร็จแล้ววันนี้มุมินผู้อีมานต่ออัลลอ์ดูแลเมืองนี้ยาฮูดีต้องการที่จะยึดมักกะแบบยึดอิรักลองทําดูสิ ต้องทำดูขนาดอสชาบุลฟีนกองทัพชา้างยังพังพินาศและใครที่จะคิดจะยึดกะอะ์เชิญนะครับนี่ท่านเบาซบาใจนะอันที่สามตายแล้วอยากคิดว่าในกูโบเนี่ยไม่มีการทรมานมีครับมีครับการทรมานในสุสานมีจริงมีทั้งหมดแปดโทษ ด, ด้วยกัน มีอยู่แปดรายการพี่น้องคนที่สะสมความผิดแปดรายการนี้ถ้าไม่เตาบ้าถูกลงโทษในกูโบจะลาขาสองสามรายการหนึ่งคนที่ขาดนมาถูกแน่ๆ่คนที่นินทาคนถูกแน่แน่แล้วก็คนที่ฉีนะไม่ล้างให้สะอาดถูกแน่ๆน่เอาแค่สามสี่รายการก่อนเพราะมันอยู่ม่นเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดนั่นแหละเอาต่อมาครับ อัลกัลมาตุไตบะหมายถึงคำพูดที่เวลาอิละฮิลลอเนี่ยนบีได้อธิบายอัลลอฮ์ได้อธิบายเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่กาลีมาลาอิลลอเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยแล้วก็รากของมันฝังลึกไปอยู่ในดินแล้วก็กิ่งของมันชูกิ่งก้างติดยอดฟ้าเลยเพื่นน้องต้นไม้เนี่ยใหญ่มากเลย คนหาได้ประโยชน์จากต้นไม้ต้นนั้นคือแล้วอิลาฮะอิลอลอหความอากีดะของคนกาเฟสเนี่ยคุณอ่านอธิบายเปรียบเสมือนอะไร น, นะต้นไม้ลมลุกเหมือนต้นไม้ลมลุกต้นพริกต้นมะนาวต้นอะไรพวกเนี้ยอรอย แต่ต้นไม้ของมุสลิมละอิลลอฮเปลี่ยนเสมือนต้นไม้ใหญ่ๆฝังรากลึกส่วนคนกาเฟตมุชริกีนกาฟฟรินเปลี่ยนเสมือนต้นไม้ต้นเล็กๆลมๆ้มลุกที่เราปลูกอยู่หน้าบ้านเราต้นพริกต้นพริกขี้หนูต้นมะนาวพวกนี้นั่นอัลลอ์อธิบายต น, น, นพีกรุรอานต่อมาครับลูกเราทั้งหมดที่เกิดมาบนโลกดุญญนยาใบนี้อายุเล็กๆตั้ง ตั้งแต่คลอดออกมานั้นสะอาดหมดสะอาดหมดคือเป็นมุสลิมเนื่องจากพ่อแม่ต่างหากปล่อยปะละเลยไม่สอนอิสลามลูกจึงกลายเป็นยะฮูดีไปก็มีเป็นนาซรอก็มีเป็นมายูซีก็มีเพราะพ่อแม่ไม่ให้อิสลามแสดงว่าบาปใหญ่นะ พ่อแม่ที่ปล่อยประละเลยลูกไม่สอนอิสลามลูกนี่ภาพใหญ่สอนไม่ไว้ก็ส่งไปอยู่ตามสถาบันอื่นให้ก็สอนแทนเราคนยัฮูดีปฏิเสธการมีภรรยาหลายคนแต่ยอมรับให้ทาซีนานี่ยัฮูดีในอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้มุสลิมทำซีนา แต่เปิดโอกาสให้มีภรรยาเกินหนึ่งได้พ่อปกป้องตัวเองไม่ให้ทำซีนาแต่พวกยโฮดีอิงการปฏิบปฏิเศษคำสอนของมูฮัมหมัดข้อนี้วันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ฉันก็ต้องแต่งงานภรรยาคนเดียวแล้วก็ทำซีนาได้อย่าเดินตามนะอันนี้ผิดนะผิดอย่างแรงเลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับ นบีเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงอัอดูเสียงฟารองหรือฟ้าผาเนี่ยนบีจ ะ, สะแสดงอาการกลัวลวแล้วเราอ่ะกลัวหรือเปล่าเราต้องนึกเพราะว่าฟ้า้องฟาผาเนี่ยในอดีตผ่านมาแล้วทำลายประชาชนเป็นแสนๆคนมาแล้ว เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอ์และปฏิเสธนบีของอัลลอฮ์เ็นนบีซอลและอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกข้อหนึ่งสรุปจากกุรอานที่เรียนมาทั้งหมดทุกคนมีมาลายกาอยู่สี่สท่านคอยดูแลนะคอยดูแลนะสองท่านข้างหน้าข้างหลัง และอยู่ซ้ายกับขวานี้คอยบันทึกความดีกับความชั่วของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนอ้าวถ้าจะนักมาเลก้าแค่สี่องค์เนี้ยนะมนุษย์ตอนนี้มีอยู่เจดพันล้านเราก็สี่คูณยี่สิบเจ็สี่ยี่สิบปดลมากกว่าประชากรมนุษย์ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มาเิกาที่รับผิดชอบอย่างอื่นนี่แหละดวงอาทิตย์ดวงจันทร์น้าขึ้นน้าลงโอ้ทจุดหม้เจริญ ง, งอกงาม พระชาติวิญญาณเอาใส่วิญญาณงานของอัลลอ์เต็มไปหมดใครรับผิดชอบอัลลอ์รับผิดชอบจะเพียงผู้เดียวพิ่น้ับนี่คือสรุปจากจากอัลกุรอานที่เราเรียนมาสุรออิบรอฮีสรุปสั้นๆนะเพื่น้องเพราะเวลาจากัดนะ